วิริเยนะทุกขมะเจติบุคคลจะล่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียรพุทธวัจนะมีหลายท่าน ที่ได้มาพบปะพูดคุยกับผมมักจะถามคาถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติมักจะได้ยินคาถามว่าเราจะทาอย่างไรที่จะให้สติที่มีขึ้นในตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องกันนานๆบ่อยๆหลายๆครั้งให้มีอยู่ประจำจิตประจำใจของเราเลย เพราะตอนนี้นี่เวลาเราปฏิบัติในรูปแบบในการเจริญสติต่างๆในหลายที่ที่เราได้เข้าสู่การปฏิบัติสติจะดีแต่เวลาออกมาจากสถานที่ปฏิบัตินั้นๆแล้วสติไม่ค่อยเกิดมักจะมีความหลงเกิดขึ้นเสมอๆบางทีก็มานั่งเก็บใจเสียใจว่าทำไมเราปฏิบัติมามากแล้วทำไมจึงสติไม่ค่อยเกิดจะทำอย่างไรอันนี้ได้ยินเป็นคาถามบ่อย แต่เรื่องทำให้สติเกิดเนี่ยที่จริงมันต้องมีองค์ประกอบลหลายๆอย่างที่จะเกื้อกูลหรือสนับสนุนให้สติเกิดขึ้นบ่อยๆก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเหตุปัจจัยแรกก็คือเราต้องหมันฟังธรรมะเพราะการฟังธรรมะเนี่ยทำให้เราเกิดสติได้ในขณะที่เรากาลังฟังอย่างตอนเนี้จะที่ทำกำลังฟังธรรมะอยู่เชื่อว่า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 การพูดคุยโต้ตอบกันเนี่ยก็ช่วยทาให้สติมันเกิดได้เหมือนกันนะถ้าคุยเรื่องธรรมะเนี่ยอาจจะมีการฟุ้งไป บ, บ้างแต่ก็สามารถกลับมามีสติได้นี่เราช่วยได้การได้ยินได้ฟังการอ่านหนังสือธรรมะการพูดคุยธรรมะหรือการนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อธรรมนะอันนี้ก็สลับสนุนให้สติเกิดแล้วบางทีเราอาจจะฝึกถือศีลศีลหศีล ศีลเนี่ยทำให้สติเกิดขึ้นเพราะว่าสติเนี่ยคือผู้ที่รักษาศีล น, นะถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็ศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์ไม่ครบเราจะมีการสํารวมระวังกลัวจะผิดศีลอะไรเนี่ยผู้ที่สํารวมระวังก็คือสตินั่นเองสวดมนต์นี่ก็ช่วยทําให้สติเกิดขึ้นได้การแผ่เมตตาหรือการทําจิตให้ว่างๆสงบสงบ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 ไม่มีสติรู้ทันทีเลยว่าอันนี้คือไรสาระแนละ้วเสียเวลาชีวิตนอนจะดีกว่าที่จะไปทำแบบนั้นอะไรเงี้ยนะการไม่คิดพิจารณาแบบนี้ก็ทำให้สติเกิดได้สำคัญนะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไร้สาระทำสิ่งที่เป็นสาระอีประการหนึ่งที่ช่วยทำให้สติเกิดขึ้นบ่อยๆในแต่ละวันนี่ก็คือการเห็นประโยชน์ของการมีสติ เพราะว่าเราเห็นประโยชน์ในสิ่งไรก็ตามสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นในใจเราบ่อยๆเห็นประโยชน์ของการมีสติถ้าเรามีสติแล้วสติจะช่วยทำให้เราไม่หลงลืมตัวเองไม่เป็นคนที่หลงที่ลืมถ้ามีสติเราจะไม่ลืมทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดจะเริ่มรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นอันนี้ง่ายๆใช่าหมสติทำให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะเมื่อมีสติแล้ว ทำให้เกิดปัญญามองหเห็นประโยชน์นะหรืออย่างน้อยก่อนที่เราจะดับจิตจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าถ้าเรามีสติในตอนนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นศึกชิงพบเลยใชนนะถ้ามีสติแล้วเนี่ยมีโอกาสเกิดสุขติหาว่าสติดีๆเข้าถึงตัวอุปัสนายานอาจจะพ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยก็ได้เนี่ยคือประโยชน์ของการมีสตินึกถึงประโยชน์ของการมีสติบ่อย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 เช่นว่าคนที่ขาดสติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะนึกจะพูดก็พูดนึกจะทำก็ทำอันเนี้ยขาดสติเพราะไม่รู้จักกาละเทสะจะเป็นคนขี้หลงขี่ลืมทำอะไรผิดพลาดบ่อยๆเนี่ยเพราะความขาดสติคนที่มัวเมาประมาทขาดสติเนี่ยมักจะประสบบัพเทจะมาเสียใจภายหลังโอ้เราไม่น่าเลยเราไม่น่าเลยเราก็เคยเป็นใช่ไหมอย่างนั้นมองทิ้โทษมันบ่อย เจะได้เป็นคนที่ไม่ขาดสติที่สําคัญก็คือจิตขณะที่จะดับในครั้งสุดท้ายของชีวิตเนี่ยประสบการณ์ครั้งสุดท้ายของชีวิตคือเราจะต้องตายขณะนั้นถ้าเราขาดสติเราต้องตกอบอายอภูมินะเราจะเลือกที่เกิดไม่ได้เลยต้องลงอบอายอภูมิอย่างเดียวเลยมองให้เห็นทุกอย่างโทษของการขาดสติเราจะได้เป็นคนที่มีสติบ่อยๆอายชั่วกลัวบาปมองให้เห็นประโยชน์ของสติ แล้วก็มองเห็นทุกข์ุโทษของการขาดสติสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆเงี่ยงๆใช่ไหมประการสุดท้ายข้อที่สอเป็นข้อที่สาคัญที่สุดของการทำให้สติเกิดขึ้นคือการฝึกทำบ่อยๆเนึ่งๆฝึกจะิตะสติอยู่เสมอๆนึอขึ้นได้ก็ให้มีสติรู้ตัวทันทีเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยสาคัญ ทำบ่อยๆให้มันเกิดความเคยชินได้ความเคยชินเนี่ยทำให้เกิดการเป็นเองโดยอัตโนมัติเราเคยชินที่จะมีสติบ่อยๆต่อไปไม่ต้องไปคิดเป็นนึกไม่ต้องไปเรียกหาสติก็เกิดขึ้นมาเองได้โดยอัตโนมัติจิตของเราเนี่ยจะจำสภาวะได้ว่าสภาวะไหนนี่มันมีสติถ้าจิตจำสภาวะได้ล้วก็สบายแล้ว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 ภาวิตาพระหุริกาาทาบ่อยๆทาเนืองๆแล้วก็ชำนาญไปเองสมดังที่ยกเป็นพุทธภาษิตในเบอร์ตัวได้ว่าวิริเยนะทุกขะเจติบุคคลเนี่ยจะล่วงพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร